207. ปัดโชตราชวัตถุว่าด้วยพระเจ้าปัดโชดเรื่องรักษาโรคผอมเหลืองของพระเจ้าปัดโชด334สมัยนั้นพระเจ้าปัดโชดในกรุงอุตเชนีทรงประชวรเป็นโรคผอมเหลืองนายแพทย์ทิสาปามโมก ค, คนสำคัญหลายคน มารักษาก็ไม่อาจทำให้โรคหายได้ได้เงินไปเป็นจำนวนมากสมัยนั้นพระเจ้าปัดโชดทรงส่งทูตไปยังราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมกตรัฐใจความว่าหม่อมฉันเจ็บป่วยมีอาการอย่างนี้ขอประธานวโรกาสเถิดพระองค์โปรดส่งหมอชีวกให้มารักษาหม่อมฉัน พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐรับสั่งชีวกโกมารพัทว่าไปเถิดชีวกเจ้าเดินทางไปกรุงอุดเชนีจงถวายการรักษาพระเจ้าปัดโชดชีวกโกมารพัทกราบทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเดินทางไปกรุงอุดเชนีเข้าไปเฝ้าพระเจ้าปัดโชดตรวจพระอาการแล้วกราบทูลว่า ขอเดชะข้าพระองค์จะหุงเนยใสให้พระองค์เสวยพระเจ้าปัดโชษตรัสถามว่าอย่าเลยชีวกท่านจงรักษาเราด้วยวิธีที่ไม่ต้องใช้เนยใสก็หายได้เพราะเราเกลียดเนยใสครั้งนั้นชีวกกมารพัทคิดว่าพระราชานี้ทรงประชวนถึงขนาดนี้ ถ้าไม่มีเนยใสยเราก็ไม่อาจรักษาพระองค์ให้หายเป็นปกติเอาละเราควรหุงเนยใสยให้มีสีกลิ่นรสเหมือนน้ำฝาดแล้วให้หุงเนยใสยด้วยยาชนิดต่างๆทำให้มีสีกลิ่นรสเหมือนน้ำฝาดสมัยนั้นชิวโกโมารพัฒมีความคิดดังนี้ว่า เนยใสยที่เท้าเธอเสวยแล้วเมื่อย้อยไปจะทำให้เหรอ่อพระราชาพระองค์นี้ทรงพิโรธก็จะพึงรับสั่งให้ฆ่าเราได้ทางที่ดีเราควรกราบทูลลาไว้เสียก่อนวันต่อมาชีวโกมารพัฒจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าปัดโชดถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่า ขอเดชะข้าพระองค์เป็นหมอจะเก็บรากไม้จะรวบรวมยาโดยการชั่วครู่หนึ่งในขณะนั้นนั้นขอประธานวรโรกาสเถิดพระองค์โปรดรับสั่งเจ้าพนักงานในโรงราชพานะและที่เฝ้าประตูว่าหมอชีวกจงเดินทางด้วยยานที่ต้องการได้ จงออกไปทางประตูที่ต้องการได้จงเข้าออกได้ในเวลาที่ต้องการพระเจ้าปัจโชตมีรับสั่งเจ้าพนักงานในโรงพาหนะและที่เฝ้าประตูว่าหมอฉีวกจงเดินทางด้วยยานที่ต้องการได้จงออกไปทางประตูที่ต้องการได้จงเข้าออกได้ในเวลาที่ต้องการก็สมัยนั้น พระเจ้าปัดโชตมีช้างพังชื่อพัทธวดีเดินทางได้วันละห้าสิบโยตชีวกโกมารพัททูลถวายเนยใสยแด่พระเจ้าปัดโชดนั้นกราบทูลว่าพระองค์โปรดเสวยน้ำฝาดเมื่อให้เท้าเธอเสวยเนยใสยแล้วก็ไปที่โรงช้างขึ้นช้างพัทธวดีหนีออกไป ครั้งนั้นเนยใสที่เท้าเธอเสวยกำลังย่อยจึงทำให้ทรงเรอขึ้นท่านใดนั้นพระเจ้าปัดโชดจึงรับสั่งคนทั้งหลายว่าเราถูกหมอชีวกชาติชั่วลวงให้ดื่มเนยใสพวกเจ้าจงค้นหามันมาให้ได้คนทั้งหลายกราบทูลว่า หมอชีวกขึ้นช้างพัธวดีหนีออกไปจากกรุงแล้วพระพุทธเจ้าข่าสมัยนั้นพระเจ้าปัดโชตมีทาตชื่อกากะซึ่งอาศัยเกิดกับอมนุษย์เดินทางได้วลาหกสิบโยชนึงรับสั่งว่านายกากะเจ้าจงไปตามหมอชีวกกลับมาโดยบอกว่าพระราชารับสั่งให้เชิญท่านกลับ ธรรมดาพวกหมอมีเล่เหลี่ยมมากเจ้าอย่าไปรับสิ่งไรของเขานะครั้นทาตกากะเดินไปทันชีวโกมารพัทผู้กำลังรับประทานอาหารเช้าในระหว่างทางกรุงโกสัมพีจึงบอกว่าท่านอาจารย์พระราชารับสั่งให้เชิญท่านกลับชีวโกมารพัทกล่าวว่ากากะ ท่านโปรดรออยู่ชั่วเวลาที่เรารับประทานอาหารเชิญท่านมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเถิดท่าตกากะตอบว่าอย่าเลยท่านอาจารย์พระราชารับสั่งว่าธรรมดาพวกหมอมีเล่เหลี่ยมมากอย่าไปรับสิ่งไรๆของเขาขณะนั้นชีวโกมารพัฒได้แทกยาทาเล็บ พลางเคี้ยวมาขามป้อมและดื่มน้ําแล้วร้องเชิญธาตุกากะว่าเชิญท่านกากะมาเคี้ยวมาขามป้อมและดื่มน้ําด้วยกันเถิดธาตุกากะคิดว่าแพทย์คนนี้กําลังเคี้ยวมาขามป้อมและดื่มน้ําคงไม่มีโทษอะไรจึงเคี้ยวมาขามป้อมและดื่มน้ํามะขามป้อมครึ่งผลที่เขาเคี้ยวนั้น ได้ระบายท้องให้ถ่ายอุจจาระออกมาในที่นั้นทีเดียวต่อมาทาดกากะถามชีวโกมารพัทว่าท่านอาจารย์ผมจะยังมีชีวิตอยู่หรือชีวโกมารพัทตอบว่าอยากกลัวไปเลยท่านไม่มีอันตรายแต่พระราชาทรงพิโรธก็จะรับสั่งให้ฆ่าเราได้ดังนั้นเราไม่กลับละ แล้วมอบช้างพัทธวดีให้ทาตกากัะเดินทางรอนแรมไปจนถึงกรุงราชคฤึ่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบทุกประการพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐตรัสว่าเจ้าไม่กลับไปก็เป็นการกระทำที่ดีเพราะพระราชาพระองค์นั้นเฮี้ยมโหด พึงสั่งให้ข้าเจ้าก็ได้เมื่อพระเจ้าปัดโทษทรงหายประชวนจึงทรงส่รงราชทูตไปถึงชีวโกมรารพั์ว่าเชิญหมอชีวก ม, มาเราจะให้พรชีวโกมรารพั์กราบทูลตอบไปว่าอย่าเลยพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกว่าเป็นหน้าที่ของข้าพระองค์